พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุไม่พึงดำรงชีวิตในการซื้อขายไม่พึงก่อขีเลหเป็นเหตุว่าร้ายในที่ไหนไหนไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านและไม่พึงพูดเลียบเคียงกับคนเพราะอยากได้ลาบคําว่าไม่พึงดำรงชีวิตในการซื้อขายอธิบายว่าการซื้อขายที่ทรงห้ามไว้ในวินัยไม่ทรงประสงค์เอาในเนื้อความนี้ ภิกษุดำรงชีวิตในการซื้อขายเป็นอย่างไรคือภิกษุเมื่อทําความล่อลวงหรือปรารถนากําไรแลกเปลี่ยนบาทจีวรหรือบริการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งกระสหะรรมิกึ้นหนึ่งจำพวกภิกษุชื่อว่าดํารงชีวิตในการซื้อขายเป็นอย่างนี้ภิกษุไม่ดํารงชีวิตในการซื้อขายเป็นอย่างไรคือภิกษุเมื่อไม่ทําความล่อลวงหรือไม่ปรารถนากําไร ไม่แลกเปลี่ยนบาทจีวรหรือบริการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับสหธรรมิกห้าจำพวกพิสูจน์ชื่อว่าไม่ดำรงชีวิตในการซื้อขายเป็นอย่างนี้คําว่าไม่พึงดำรงชีวิตในการซื้อขายอธิบายว่าไม่พึงดำรงชีวิตคือไม่พึงดำรงตนในการซื้อขายได้แก่พึงละบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งการซื้อขาย พึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกจลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่พึงดำรงชีวิตในการซื้อขายว่าด้วยกิเลสคลาว่าภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายในที่ไหนไหนอธิบายว่ากิเลสเป็นเหตุ ก, ก่อการว่าร้ายเป็นอย่างไร สม m a ร a p มบางผู้มีฤทธิ์มีทิปจักขุรู้ใจคนอื่นสมณพราหมณ์เหล่านั้นเห็นรูปได้แต่ไกลบ้างอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏแก่ผู้อื่นบ้างรู้ใจผู้อื่นด้วยใจตนบ้างเทวดาผู้มีฤทธิ์มีทิปจักขุรู้ใจคนอื่นเทวดาเหล่านั้นเห็นรูปได้แต่ไกลบ้างอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏแก่ผู้อื่นบ้างรู้ใจผู้อื่นด้วยใจตนบ้าง ชนทั้งหลายพึงว่าร้ายสมณพราหมณ์และเทวดาทั้งหลายนั้นด้วยกิเลสอย่างหยาบบ้างด้วยกิเลสอย่างกลางบ้างด้วยกิเลสอย่างละเอียดบ้างกิเลสอย่างหยาเป็นอย่างไรคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเหล่านี้เรียกว่ากิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางเป็นอย่างไรคือกลามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก เหล่านี้เรียกว่ากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดเป็นอย่างไรคือความตรึกถึงยากความตรึกถึงชนบทความตรึกเพื่อความเป็นผู้ไม่ตายความตรึกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูผู้อื่นความตรึกที่ประกอบด้วยลากสักการะและความสรรเสริญความตรึกที่ประกอบด้วยความไม่ดูหมิ่นเหล่านี้เรียกว่ากิเลสอย่างละเอียด ภิกษุไม่พึงว่าร้ายสมณะพราหมณ์และเทวดาเหล่านั้นด้วยกิเลสอย่างหยาบ้างด้วยกิเลสอย่างกลางบ้างด้วยกิเลสอย่างละเอียดบ้างไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายคือไม่พึงก่อไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดขึ้นไม่พึงให้บังเกิดไม่พึงให้บังเกิดขึ้นซึ่งกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายได้แก่พึงละบันเทาทาให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีก กิเลสเป็นเหตุว่าร้ายพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่คาว่าในที่ไหนๆ ไ, ได้แก่ในที่ไหนคือที่ไหนๆที่ไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกรวมความว่า ภิกษุไม่พึงก่อกกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายในที่ไหนไหนคำว่าไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านอธิบายว่าภิกษุเกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เกี่ยวข้องอยู่กับพวกครหัตในบ้านเพลิดเพลิรนร่วมกันเจ้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุกก็สุกด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีกิจที่ควรทาเกิดขึ้น ก็ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองภิกษุชื่อว่าเกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งเวลาเช้าภิกษุนุ่งห่มแล้วถือบาตรจีวรเข้าหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไม่สำรวมอินทรีย์เธอเกี่ยวข้องในที่นั้นๆรับในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆ ถึงความเลื่อมใสในที่นั้นๆภิกษุชื่อว่าเกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างนี้บ้างภิกษุไม่เกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่เกี่ยวข้องอยู่กับพวกครหัดในบ้านไม่เพลิดเพลินร่วมกันไม่เศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุขก็ไม่ได้สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขาเมต谛ที่ควรทําเกิดขึ้น ก็ไม่ได้ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองภิกษุชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างนี้บ้างอีกหนายหนึ่งเวลาเช้าภิกษุนุ่งห่มแล้วถือบาดจีวอเข้าหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินทบาทรักษากายรักษาวาจารักษาจิตตั้งจติตสำรวมอินทรีย์เธอไม่เกี่ยวข้องในที่นั้นๆไม่รับในที่นั้นๆไม่ติดอยู่ในที่นั้นๆ ไม่ถึงความเสื่อมเสียในที่นั้นนั้นภิกษุชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างนี้บ้างคาว่าไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านอธิบายว่าไม่พึงเกี่ยวข้องคือไม่พึงรับไม่พึงติดอยู่ไม่พึงพัวพันในบ้านได้แก่พึงเป็นผู้ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่สยบไม่หมกมุ่นพึงเป็นผู้คลายความยินดีปราจากความยินดี ฉลาทิ้งความยินดีในบ้านเสียได้มีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่รวมความว่าไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านว่าด้วยการพูดเลียบเคียงคำว่าไม่พึงพูดเลียบเคียงกับคนพระอยากได้ลาบอธิบายว่าการพูดเลียบเคียงเป็นอย่างไรคือการพูดหวานล้อมพูดเลียบเคียงพูดเลียบเคียงอย่างดีการพูดยกย่องพูดยกย่องอย่างดี การพูดผูกพันพูดผูกพันอย่างดีการพูดอวดอ้างพูดอวดอ้างอย่างดีการพูดคําเป็นที่รักความเป็นผู้พูดมุ่งให้คนรักความเป็นผู้พูดเลวไหลความเป็นผู้พูดประจบความเป็นผู้พูดแคคคากัดกินเนื้อหลังของผู้อื่นความเป็นผู้พูดอ่อนหวานพูดไพเราะพูดปลูกไมตรีเป็นผู้ไม่พูดคําหยาบแก่คนอื่น ของภิกษุผู้มั่นหมายลาบสักกะระและความสันเสริญมีความปรารถนาชั่วถูกความอยากครอบงำเห็นแก่อามิตหนักในโลกธรรมนิตรัสเรียกว่าการพูดเลียบเคียงอีกในหนึ่งภิกษุพูดเลียบเคียงกับคนด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งเมื่อวางตนต่ำยกผู้อื่นสูงพูดเลียบเคียงกับคน 2. เมื่อยกตนสูงวางผู้อื่นต่ำ พูดเรียบเทียงกับคนภิกษุเมื่อวางตนต่ำยกผู้อื่นสูงพูดเรียบเทียงกับคนเป็นอย่างไรเพื่อภิกษุกล่าวว่าพวกท่านมีอุปการะมากแก่ฉันฉันอาศัยพวกท่านแล้วได้จีวรบินทบาตเสนาสนะและกิลานปัจจัยเพศปบริคารเพราะอาศัยพวกท่านเห็นแก่ท่านคนเหล่าอื่นจึงสําคัญเพื่อให้หรือเพื่อทําแก่ฉัน ชื่อเก่าที่บิดามารดาตั้งให้ฉันก็เลือนหายไปแล้วฉันมีคนรู้จักก็เพราะพวกท่านว่าเป็นพระประจำตระกูลของอุบาสกโนนเป็นพระประจำตระกูลของอุบาสิกาโนนภิกษุชื่อว่าวางตนต่ำยกผู้อื่นสูงพูดเรียบเคียงกับคนเป็นอย่างนี้บ้างภิกษุเมื่อยกตนสูงวางผู้อื่นต่ำพูดเรียบเคียงกับคนเป็นอย่างไร เพือพิสุกล่าวว่าฉันมีอุปการะมากแก่พวกท่านพวกท่านอาศัยฉันแล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสระณะเว้นขาจากปานาติบาตเว้นขาจากอธินนาทานเว้นขาจากกามเมสุมิฉาจารเว้นขาจากมุสาวาทเว้นขาจากสุราเมรยมัชชะปะมาทัตฐานะฉันให้อุเทศให้ปริปุชฌะแก่พวกท่าน บอกอุโบสถอำนวยการนาวกรรมแก่พวกท่านก็แต่พวกท่านทอดทิ้งฉันแล้วไปจักรกระทำความเคารพนับถือบูชาผู้อื่นภิกษุชื่อว่ายกตนสูงวางผู้อื่นต่ำพูดเลียบเทียงกับคนเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าไม่พึงพูดเลียบเทียงกับคนเพราะอยากได้ลาบอธิบายว่าภิกษุมุ่งหวังลาบ ไม่พึงพูดเลียบเคียงกับคนเพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นต้นเหตุเพราะมุ่งกลางเกิดแห่งลาบโดยเฉพาะเคลือพึงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งการพูดเลียบเคียงได้แก่พึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับการพูดเลียบเคียงมีใจเป็นอิจระจากกิเลสอยู่ รวมความว่าไม่พึงพูดเลียบเคียงกับคนเพราะอยากได้ลาบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุไม่พึงดำรงชีวิตในการซื้อขายไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายในที่ไหนๆไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านและไม่พึงพูดเลียบเคียงกับคนเพราะอยากได้ลาบหนึ่งร้อยหกสิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุไม่พึงเป็นคนมักโอดไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองไม่พึงกล่าวถ้อยคําแก่งแย่งว่าด้วยผู้ไม่อโอดคําว่าภิกษุไม่พึงเป็นคนมักโอดอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้โอดเป็นผู้อโอดเธอย่อมโอโอโอดว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้าง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 ภิสุนี้ไม่พึงอวดไม่โอ้วดอย่างนี้เคือพึงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความโอ้วดได้แก่เป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องแล้วกับการโอ้วดมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าภิสุไม่พึงเป็นคนมักโอวด ว่าด้วยการกล่าววาจามุ่งได้คำว่าไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้อธิบายว่าวาจามุ่งได้เป็นอย่างไรเคอพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าววาจามุ่งได้จีวรกล่าววาจามุ่งได้บิณฑบาตกล่าววาจามุ่งได้เสนาสนะกล่าววาจามุ่งได้คีฬานปัจจัยเพศปรุคารนิตรัสเรียกว่าวาจามุ่งได้ อีกในหนึ่งเพราะเหตุแห่งจีวณเพราะเหตุแห่งบินบาบดเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งกีลานปั จ, จัยเพศาบริคารภิกษุก็พูดจริงบ้างพูดเท็จบ้างพูดส่อเสีบ้างพูดไม่สอเสีบ้างพูดหยาบบ้างพูดไม่หยาบบ้างพูดเพ้อเจ้อบ้างพูดไม่เพ้อเจ้อบ้างพูดด้วยปัญญาบ้างแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าวาจามุ่งได้ อีกนายหนึ่งภิกษุมีจิตเลื่อมใสแสดงธรรมแก่คนพวกอื่นด้วยคิดว่าโอ๋เนาะขอคนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสในธรรมและผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็พึงแสดงอาการเลื่อมใสเรานี้ก็ตรัสเรียกว่าวาจามุ่งได้คำว่าไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้อธิบายว่าภิกษุไม่พึงกล่าวคือไม่พึงพูด ไม่พึงปอกไม่พึงแสดงไม่พึงชี้แจงวาจามุ่งได้โดยที่สุดจนถึงวาจาแสดงธรรมได้แก่พึงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งวาจามุ่งได้ได้แก่เป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับวาจามุ่งได้มีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่า ไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ว่าด้วยความขนองสามอย่างคำว่าความเป็นผู้ขนองในคำว่าไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองได้แก่ความขนองสามอย่างคือหนึ่งความขนองทางกายสองความขนองทางวาจาสความขนองทางใจความขนองทางกายเป็นอย่างไร เือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในหมู่สงก็แสดงความขนองทางกายอยู่ในหมู่คณะ er an an war, อยู่ในศาลาโรงฉันอยู่ในเรือนไฟอยู่ที่ท่าน้ํากําลังเข้าสู่ละแวกบ้านเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วก็แสดงความขนองทางกายภิกษุอยู่ในหมู่สงแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรเพื่อภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู่ในหมู่สงฆ์ก็ไม่ทำความยำเกรงยืนเบียดเสียดภิกษุเทระบ้างนั่งเบียดเสียดบ้างยืนบางหน้าบ้างนั่งบางหน้าบ้างนั่งบนอาสนะสูงบ้างนั่งคลุมศีรษะบ้างยืนพูดบ้างแกวงแขนพูดบ้างภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้ภิกษุอยู่ในหมู่คณะแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไร คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อย um> ู่ในหมู่คณะก็ไม่ทําความยำเกรงเมื่อภิกษุเทระไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมอยู่ก็สวมรองเท้าเดินจงกรมเมื่อภิกษุเทระเดินจงกรมบนลานจงกรมต่าก็เดินจงกรมบนลานจงกรมสูงเมื่อภิกษุเทระเดินจงกรมบนพื้นดินก็เดินจงกรมบนลานจงกรมยืนเบียเสตบ้างนั่งเบียเสตบ้าง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 นั่งแทะพิสุเทระบ้างนั่งกีการอาสนะพิสุนวกะบ้างยืนเบียเศบ้างนั่งเบียเศบ้างยืนบางหน้าบ้างนั่งบางหน้าบ้างนั่งบนอาสนะสูงบ้างนั่งคลุมศีรษะบ้างยืนพูดบ้างแกว่งแขนพูดบ้างพิกษุอยู่ในศาลาโรงฉันแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้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 ภิกษุ e mail. อยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้ภิกษุอยู่ที่ท่าน้ําแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรคือภ <c oughs> ิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ที่ท่าน้ําไม่ทําความยําเกรงลงเบียดเศภิกษุเ ถ, ถระบ้างลงข้างหน้าบ้าง canyon, อาบเบียดเศบ้างอาบข้างหน้าบ้างอาบเหนือน้ําบ้างขึ้นเบียเศบ้างขึ้นข้างหน้าบ้าง ขึ้นเหนือน้ำบ้างภิกษุอยู่ที่ท่าน้ำแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้ภิกษุกําลังเข้าสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรเพื่อพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กําลังเข้าสู่ละแวกบ้านไม่ทําความยําเกรงเดินเบียดเสียดภิกษุเถระบ้างเดินข้างหน้าบ้างเดินแซงขึ้นหน้าพิกษุเถระบ้าง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 ภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความขนองทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในหมู่สงฆ์ไม่ทำความยำเกรงไม่เรียนแจ้งภิกษุเทระหรือไม่ได้รับอาราธนาก็แสดงธรรมวิจัชนาปัญหาสวดปาติโมกแะภิกษุที่อยู่ในอารามยืนพูดบ้างแกวงแขนพูดบ้างภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความขนองทางวาจาเป็นอย่างนี้ ภิกษุอยู่ในหมู่คณะแสดงความขนองทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้อยู่ในหมู่คณะไม่ทำความยาเกรงไม่เรียนแจ้งภิกษุเทระหรือไม่ได้รับอาราธนาก็แสดงธรรมวิสัชนาปัญหาแก่ภิกษุที่อยู่ในอารามยืนพูดบ้างแกว่งแขนพูดบ้างแสดงธรรมวิสัชนาปัญหาแก่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในอาราม ยืนพูดบ้างแว่งแขนพูดบ้างภิกษุอยู่ในหมู่คณะแสดงความคนองทางวาจาเป็นอย่างนี้พิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความคนองทางวาจาเป็นอย่างไรคือพิกสุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เข้าสู่ละแวกบ้านแล้วพูดกับสตรีหรือเด็กหญิงอย่างนี้ว่าแม่หนูชื่อนี้นามสกุล น, นี้มีอะไรบ้างละ่ะเข้าต้มมีไหม เข้าสวยมีไหมของขบเคี้ยวมีบ้างไหมพวกอาตมาจากดื่มอะไรจากฉันอะไรจากเคี้ยวอะไรมีอะไรบ้างหรือพวกเธอจากถวายอะไรแกอาตมาบ้างละ่ะพูดพร่ำเพ้อไปภิกษุเข้าสู่ระแวก บ, บ้านแล้วแสดงความขนองทางวาจาเป็นอย่างนี้นี้ชื่อว่าความขนองทางวาจาความขนองทางใจเป็นอย่างไร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 มิใช่เป็นผู้เที่ยวบินธบารเป็นวัดมิใช่เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดมิใช่เป็นผู้ทรงตรจีวรเป็นวัดมิใช่เป็นผู้เที่ยวบินธบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดมิใช ah ่เป็นผู้งดอาหารมื้อหลังเป็นวัดมิใช่เป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดมิใช่เป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาชนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดมิใช่เป็นผู้ได้ปฐมฌานมิใช่เป็นผู้ได้ทุติยฌาน มิใช่เป็นผู้ได้ตติยฌานม่ใช่เป็นผู้ได้จตุทชฌานมิใช่เป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติมิใช่เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติมิใช่เป็นผู้ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติมิใช่เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็มีจิตวางตัวเช่นเดียวกับภิกษุผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ นี้ชื่อว่าความขนองทางใจคำว่าไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองอธิบายว่าพิสุไม่พึงศึกษาคือไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติโดยเ อ, อืเออ้อเฟื้อไม่พึงสมาทานประพฤติความเป็นผู้ขนองได้แก่พึงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเป็นผู้ขนองคือเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออก หลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ขนองมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองคำว่าไม่พึงกล่าวถ้อยคําแก่งแย่งอธิบายว่าถ้อยคําแก่งแย่งเป็นอย่างไรพิสุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้กระทำถ้อยคําเห็นปานนี้ว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้ หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโมคลานะเมื่อมีถ้อยคำแก่งแย้งก็พึงหวังการต้องพูดกันมากเมื่อมีการพูดกันมากก็พึงหวังความฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านก็มีความไม่สํารวมจิตของผู้ไม่สํารวมก็ห่างไกลาจากสมาธิคำว่าไม่พึงกล่าวถ้อยคาแก่งแย้งอธิบายว่า ไม่พึงกล่าวคือไม่พึงพูดไม่พึงบอกไม่พึงแสดงไม่พึงชี้แจงถ้อยคําแก่งแย่งได้แก่พึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งถ้อยคําแข่งแย่งคือเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับถ้อยคําแก่งแย่งมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่า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 มุสาวาตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จคนบางคนในโลกนี้อยู่ในสภาอยู่ในบริษัทพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตเล็กน้อยบ้างนี้ตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จอีกในหนึ่งมุสาวาตมีได้ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งอ่อนพูดเธอก็อรู้ว่าเราจะพูดเท็จสองกำลังพูดก็รู้ว่าเรากําลังพูดเท็จ พูดแล้ว <Then>, ก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วมูสาวาตมีได้ด้วยอาการสามอย่างเหล่านี้อีกในหนึ่งมูสาวาตมีได้ด้วยอาการสี่อย่างด้วยอาการห้าอย่างด้วยอาการหกอย่างด้วยอาการเจ็ดอย่างมูสาวาตมีได้ด้วยอาการแปดอย่างคือหนึ่งกอนพูดเธอค่อยรู้ว่าเราจะพูดเท็จสองกำลังพูดก็รู้ว่าเรากำลังพูดเท็จ สามพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วสี่ปิดบังทิฐิห้าปิดบังความพอใจหกปิดบังความชอบใจเจปิดบังความสำคัญ 8. ปปิดบังความจริงมุสาวาตมีได้ด้วยอาการแดอย่างเหล่านี้คำว่าภิกษุไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จได้แก่ไม่พึงดำเนินไปไม่พึงมุ่งมั่น เือไม่พึงพาไปไม่พึงนำตนเข้าไปในความเป็นคนพูดเท็จได้แก่พึงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเป็นคนพูดเท็จคือพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นคนพูดเท็จมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่า ภิกษุไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จคำว่าเมื่อรู้ตัวก็ไม่พึงทำความโอ้อวดอธิบายว่าความโอ้อวดเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนโอ้อวดมักอวดอ้างความโอ้อวดกิริยาที่โอ้อวดภาวะที่โอ้อวดกิริยาที่ฟุ้งเฟ้อความเป็นคนฟุ้งเฟ้อกิริยาที่เห่อความเป็นคนเหอนี้ตรัสเรียกว่า ความโอ้อวดคําว่าเมื่อรู้ตัวก็ไม่พึงทําความโอ้อวดอธิบายว่าเมื่อรู้ตัวก็ไม่พึงทําความโอ้อวดคือไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดขึ้นไม่พึงให้บังเกิดไม่พึงให้ความโอ้อวดบังเกิดขึ้นได้แก่พึงละบรรเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความโอ้อวดคือพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาด ออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความโอ้อวดมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าเมื่อรู้ตัวก็ไม่พึงทําความโอ้อวดคําว่าและในคําว่าและไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัดเป็นคําเชื่อมบทคําว่าและนี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกัน อธิบายว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อยู่เศร้ามองก็ดูหมินภิกษุอื่นซึ่งเป็นอยู่ปราณีตว่าทำไมภิกษุนี้จึงเป็นอยู่ฟุ่มเฟยฉันเป็นหมดทุกอย่างคือหัวพืชต้นพืชผลพืชยอดพืชมเมล็ดพืชเป็นที่ห้าเพราะมีความเพียรของสมณะแบบสายฟ้าแลบและพเนนเหล็กภิกษุนั้นชื่อว่าดูหมินภิกษุอื่น ผู้เป็นอยู่ประณีตด้วยความเป็นอยู่เศร้าหมองนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นอยู่ปราณีตก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นผู้เป็นอยู่เศร้ามองว่าทำไมภิกษุนี้จึงมีบุญน้อยมีศักดิน้อยไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัตบริหารเลยภิกษุนั้นชื่อว่าดูหมิ่นภิกษุอื่น ผู้เป็นอยู่เศร้าหมองด้วยความเป็นอยู่ประณีตนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้สมบูรณ์ด้วยปัญญาถูกถามก็ตอบปัญหาได้พิกษุนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาส่วนพิกษุอื่นเหล่านี้มิใช่ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาพิกษุนั้นชื่อว่าดูหมิ่นพิกษุอื่นด้วยความสมบูรณ์ด้วยปัญญานั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมรวมด้วยการสังวรในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรมองเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยย่อมสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ทุศีลเป็นผู้เลวทรามภิกษุนั้นชื่อว่าดูหมิ่นภิกษุอื่นด้วยความสมบูรณ์ด้วยศีล น, นั้น พิสูบบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดเคอเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบาติตามลำดับตรอกเป็นวัดเป็นผู้งดฉันอาหารมื้อหลังเป็นวัดเป็นผู้เถรการนั่งเป็นวัดเป็นผู้เถรการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดส่วนพิกษุอื่นเหล่านี้มิใช่ผู้สมบูรณ์ด้วยวัดพิกษุนั้นชื่อว่าดูหมิ่นพิกษุอื่นด้วยความสมบูรณ์ด้วยวัดนั้นคําว่าและไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัดอธิบายว่าไม่พึงดูหมิ่นคือไม่พึงดูแคลนผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่เศร้ามองด้วยความเป็นอยู่ประนีต ความสมบูรณ์ด้วยปัญญาความสมบูรณ์ด้วยศีลหรือด้วยความสมบูรณ์ด้วยวัดได้แก่ไม่พึงให้ความถือตัวเกิดด้วยเหตุนั้นไม่พึงเป็นคนแข็งกระด้างหัวสูงด้วยเหตุนั้นรวมความว่าและไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนผู้เท็จ เมื่อรู้ตัวก็ไม่พึงทำความโอ้โอวดและไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัดหนึ่ง้หสิเจพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุถูกประทุษร้ายได้ยินคำพูดมากของพวกสมณะหรือพวกคนพูดมากไม่พึงโต้ต่อคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบเพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรู คำว่าถูกประทุษร้ายในคำว่าภิกษุถูกประทุษร้ายได้ยินคำพูดมากของพวกสมณะหรือพวกคนพูดมากอธิบายว่าถูกประทุษร้ายคือถูกด่าถูกเสียดสีถูกเยียดยามถูกติเตียนถูกว่าร้ายคำว่าของพวกสมณะได้แก่นักบวชพวกใดพวกหนึ่งผู้เข้าถึงการบวชยินยอมบวชในภายนอกจากศาสนานี้ คำว่าพวกคนพูดมากได้แก่พวกกริย์พราหม์แพทย์สูตรพรหัสบัปรปชิตเทวดาและมนุษย์คนเหล่านั้นพึงด่าบริพาติเตียนสาดแช่งเบียดเบียนย่ำยีทำร้ายรุกรานสั่งฆ่าเข่นฆ่าทำการเข่นฆ่าด้วยวาจาที่ไม่พึงปรานาไม่น่ารักไม่น่าพอใจมากมาย ได้ยินคือได้สดับเรียนทรงจำเข้าไปกำหนดวาจาที่ไม่พึงปรานาไม่น่ารักไม่น่าพอใจมากมายของคนเหล่านั้นรวมความว่าภิกษุถูกประทุษร้ายได้ยินคำพูดมากของพวกสมณนะหรือพวกคนพูดมากคําว่าด้วยคําหยาบในคําว่าไม่พึงโต้ต่อคนเหล่านั้นด้วยคําหยาบอธิบายว่าไม่พึงโตต่ อ, ตอ คือไม่พึงกล่าวตอบด้วยคำหยาบได้แก่คํากรักกละคือไม่พึงด่าต่อผู้ด่าไม่พึงสาแช่งต่อผู้สาแช่งไม่พึงขัดเคืองต่อผู้ขัดเคืองไม่พึงก่อการทะเลาะกันไม่พึงก่อการบาดหมางกันไม่พึงก่อการแก่งแย่งกันไม่พึงก่อการวิวาทกันไม่พึงก่อการมุ่งร้ายกันได้แก่พึงละบรรเทาทําให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งการทะเลาะความขัดเคืองการแก่งแย่งการวิวาทการมุ่งร้ายพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะการบาดหมางการแก่งแย่งการวิวาทและการมุ่งร้ายมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่พึงโตอตอบคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบ คำว่าผู้สงบในคําว่าเพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรูอธิบายว่าชื่อว่าผู้สงบเพราะเป็นผู้สงบราคะชื่อว่าผู้สงบเพราะสงบโทสะชื่อว่าผู้สงบเพราะสงบโมหะชื่อว่าผู้สงบคือเข้าไปสงบสงบเย็นดับระงับได้แล้วเพราะสงบระงับสงบเย็นเผาดับปราศจากสงบระงับโกตะ อุปนาหะอากุศลาภิสังขารทุกประเภทรวมความว่าผู้สงบคำว่าเพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรูอธิบายว่าผู้สงบย่อมไม่สร้างคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งศัตรูคือฆ่าศึกเสียนน้ําฝ่ายตรงข้ามรวมความว่าเพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรูโดยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุถูกประทุษร้ายได้ยินคำพูดมากของพวกสมณะหรือพวกคนพูดมากไม่พึงโตอตอบคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบเพราะผู้สงบย่อมไม่จ้างศัตรูหนึ่งหพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุรู้ธรรมนี้แล้วเลือกสรรอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมื่อ รู้ความดับกิเลสว่าเป็นความสงบแล้วไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคโดมคำว่านี้ในคำว่ารู้ธรรมนี้แล้วได้แก่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกทรงสแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วอธิบายว่ารู้คือทราบเทียบเคียงพิจารณาทาให้กระจาง ทำให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งทำรวมความว่ารู้ธรรมนี้แล้วอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งรู้คือทราบเทียบเทียงพิจารณาทําให้กระจ่างทําให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งทำ ท, งทั้งที่เสมอและไม่เสมอทั้งที่เป็นทางและไม่ใช่ทางทั้งที่มีโทษและไม่มีโทษทั้งสามและประณีตทั้งดําและขาวทั้งที่วินยูชนติเตียน และที่วินยูชนสรรเสริญรวมความว่ารู้ธรรมนี้แล้วอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งรู้คือจราบเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งธรรมคือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆ่าศึกการปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อนการปฏิบัติเอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม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 รวมความว่ารู้ธรรมนี้แล้วอย่างนี้บ้างคาว่าเลือกสรรอยู่ในคำว่าภิกษุเลือกสรรอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมื่ออธิบายว่าเลือกสรรอยู่คือเลือกเฟ้นเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งอยู่ได้แก่เลือกสรรอยู่คือเลือกเฟ้นเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจาง ทำให้แจ่มแจ้งอยู่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าภิกษุเลือกสรรอยู่คำว่าทุกเมื่อได้แก่ทุกเมื่อคือในการทั้งปวงตลอดการทั้งปวงปัจฉิมวัยคำว่าเป็นผู้มีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุสี่อย่าง คือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีสติคำว่าศึกษาได้แก่สิกขาสามคือหนึ่งอธิสิและสิกขาสองอธิจิตสิกขาสาอธิปัญญาสิกขานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาสิกขาสามเหล่านี้ เมื่อภิกษุนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาชื่อว่าพึงศึกษาเพื่อพึงประพฤติเอือเอ้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติรวมความว่าภิกษุเลือกสรรอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมือ่อคำว่ารู้ความดับกิเลสว่าเป็นความสงบแล้วอธิบายว่ารู้คือทราบเทียบเคียงพิจรารณาทาให้กระจา ทำให้แจ่มแจ้งความดับราคะว่าเป็นความสงบความดับโทสะความดับโมหะความดับอกุศลภิสังขารทุกประเภทว่าเป็นความสงบแล้วรวมความว่ารู้ความดับว่าเป็นความสงบแล้วคําว่าไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดมได้แก่ในศาสนาของพระโคดมคือในศาสนาของพระพุทธเจ้า ในศาสนาของพระจิ น, นเจ้าในศาสนาของพระทถาคตในศาสนาของพระผู้เป็นดุษเทพในศาสนาของพระอระหันต์คำว่าไม่พึงประมาทอธิบายว่าพึงเป็นผู้ทาโดยเอื้อเฟื้อทำติดต่อทำไม่หยุดประพฤติไม่ย่อห ย, ย่อนไม่ละความพอใจไม่ทอธทุระชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคือความพอใจความพยายาม ความอุตสาหะความขยันความมีเรี่ยวแรงความไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสความเพียรแรงกล้าความตั้งใจความประกอบหนึ่งหนึ่งด้วยคิดว่าเราพึงทําศีลขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์โดยอุบายอย่างไรว่าเราพึงทําสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขัน วิมุติญาณทัศนขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์โดยอุบายอย่างไรคือความพอใจความเพยายามความอุชาหะความขยันความมีเรี่ยวแรงความไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสความเพียรแรงกล้าความตั้งใจความประกอบหนึ่งเนืองด้วยคิดว่าเราควรกําหนดรู้ทุก์ที่ยังไม่ได้กําหนดรู้ พึงละกิเลส ท, ที่ยังไม่ได้ละพึงเจริญมากที่ยังไม่ได้เจริญหรือพึงทำให้แจ้งนิโรธที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งโดยอุบายอย่างไรดังนี้ชื่อว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายรวมความว่าไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดมโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุรู้ธรรมนี้แล้วเลือกสรรอยู่พึงเป็นผู้มีสติ ศึกษาทุกเมือ่อรู้ความดับอิเลสว่าเป็นความสงบแล้วไม่พึงประมาทในาศาสนาของพระโคดม